บทที่42คุณหญิงอ่อนอุสานายสมชายขี่จักรยานกลับมาถึงวัดเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มเห็นรถเบนสีดำคันหนึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านหลังของกุฏิคิดว่าคงจะต้องมีแขกมาหาท่านพระครู อาจเป็นสามคนที่กำลังเดินเห็นหลังวัยวัยอยู่ข้างหน้านั่นเขาจะต้องไปถึงกุฏิก่อนเพื่อจะบอกพวกเขาทั้งหมดว่าหมดเวลารับแขกแล้ววันธรรมดาท่านรพระครูจะลงรับแขกเวลาเดียวคือตั้งแต่เวลา14นาิกาถึง18นาฬกายกเว้นวันพระซึ่งจะลงสองครั้งตามที่นายขุนทองจัดตารางให้ ปานนี้เจ้าหนมวัย21คนนั้นคงจะหลับไปนานแล้วเพราะเป็นคนนอนแต่หัวค่ำสิทธ์ก้นกุฏินำจักรยานเข้าไปเก็บในโรงรถเมื่อกลับออกมาก็าเห็นชายวัยกลางคนกับสตรีวยรัยห0บเศษช่วยกันประคองบุรุษสูงอายุเข้ามานั่งบุรุษนั้นสวมแว่นตาดำอายุคงอยู่ในราวเจ็ดสบเศษเข้ามานั่งแล้วก็ยังไม่ยอมถอดแว่นตาดำออก เขาจริงเข้าไปถามว่าลุงมาพบหลวงพ่อหรือครับวิตายสตรีวัยหกสิเศษอุทานเสียงสูงและบอกบรุษที่ใส่แว่นตาดำว่าท่านคะเขาเรียกท่านว่าลุงนะคะ่ค่ะได้ยินหรือเปล่าคะคนถูกเรียกว่าลุงรู้สึกว่าอัดตาวิ่งขึ้นสูงจนหากใช้ปลอดวัดก็คงไม่ต่ำกว่าจุดเดือด จึงพูดโกรธๆว่าเขาคงไม่รู้ละมั้งว่าพี่เป็นใครคุณหญิงช่วยบอกเขาเอาบุญหน่อยสิเขาเรียกสตรีผู้นั้นว่าคุณหญิงให้ตาเอ่บอกดีกว่าค่ะตาเอ่บอกพ่อคนนี้ซิว่าอากับคุณพ่อเธอน่ะเป็นใครมาจากไหนหลอนหันไปพูดกับชายวัยกลางคนด้วยท่าทางยิงๆนายเอ่จึงบอกลูกศิษย์วัดว่า น้องชายนี่คือท่านรัฐมนตรีปรดเป็นคุณพ่อของผมและสตรีผู้นี้ก็คือคุณหญิงอ่อนอุสาน้องสาวคุณพ่อและก็เป็นภรรยาของท่านรัฐมนตรีอักระเดชหวังว่าน้องชายคงได้ยินชื่อ น, นะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยที่แล้วนายสมชายแอบโต้ในใจว่าอย่าว่าแต่รัฐมนตรีสมัยที่แล้วเลยถึงจะเป็นรัฐมนตรีสมัยนี้ ผมก็ไม่รู้จักใครสักคนแต่ปากเขาพูดว่าแล้วครับแล้วคุณพี่ผู้ชายเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าครับผมจะได้ใช้คำพูดให้ถูกกาลเทศะและบุคคลเขาตั้งใจประชดหากหนุ่มใหญ่วัยยี่สิบเศษกลับตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคิดว่าจะขึ้นสมัยหน้า คุณพ่อผมกลุยทางไว้ให้แล้วคนตอบค่อนข้างมั่นใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีใช่ไหมครับคงอย่างนั้นทีนี้กระผมขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงว่าท่านจะมาพบหลวงพ่อใช่ไหมขอรับนายสมชายจำต้องเล่นบทใหม่เพื่อให้ถูกใจคนดูถูกใจในที่นี้ก็คือ ถูกกับกิเลสของพวกเขาท่านพระครูเคยสอนไว้ว่าการที่จะผูกมิตรกับคนนั้นจะต้องเอาถูกใจนำหน้าเสก่อนแล้วจึงค่อยตามมาด้วยถูกต้องแม่พ่อหนุ่มนี่น่ารักจริงๆพูดจามีสัมมาคารวะคุณหญิงออกปากชมทั้งที่ว่าไปหยกยกน้องชายท่านพระครูอยู่หรือเปล่า ว่าที่รัฐมนตรีถามอยู่ขอรับงั้นก็ขึ้นไปเรียนท่านด้วยว่าท่านรัฐมนตรีมาขอพบนายเอ่ออกคำสั่งพอดีกับนายขุนทองลงมาจากข้างบนครั้นเห็นนายสมชายก็ต่อว่าทันทีกลับแล้วเหรอนึกว่าไปนอนบ้านสาวสอีกคนอะไรหายไปตั้งแต่เที่ยงคนถูกต่อว่าไม่โต้เถียงหากถามเสียงเรียบว่า ยังไม่นอนอีกรึนึกว่าหลับไปซะแล้วหลวงพ่อกำลังทำอะไรอยู่นะในคุณทองไม่ตอบหากหันไปพูดกับอคันตุ ก, กะทั้งสามว่ามาหาหลวงพ่อหรือฮะท่านเพิ่งขึ้นไปเมื่อตอนสองทุ่มนี้เองวันนี้รับแขกเกินเวลาไปตั้งเกือบสองชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่ก็แล้วกันนะฮะอารมณ์ที่กำลังจะดีขึ้นของคุณหญิงมีอันต้องบูดอีกครั้ง เมื่อฟังถ้อยคาของเจ้าหนุ่มหน้าหวานหลอนแหวใส่ว่านี่เธอจะพูดจ า, ก, จา ก, ก็ดูคนมั่งรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากที่ไหนหนูก็ไม่สามารถที่จะให้คุณพบหลวงลุงได้กดก็ต้องเป็นกด哈 ห, หนุ่มวัยบเอ็ดเถียงพร้อมกับแสดงตัวว่าเป็นหลานด้วยการเรียกท่านพระครูว่าหลวงลุ ง, ลง โอหังแกนี่โอหังมากนะนอกจากโอหังแล้วยังพูดจาไม่มีสัมมาคารวะดัดจริติดีดดิ้นไม่มีใครเกินดีที่นายขุนทองไม่ใช่คนมั ก, กโกรธหากเป็นกะเทยคนอื่นก็คงปรีเข้าไปตบคุณหญิงเขาให้แล้วเพราะผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนั้นมักจะเป็นคนเจ้าโทสะและยับยั้งสติอารมณ์ไม่ได้ คุณหญิงหันไปบอกนายสมชายว่านี่เธอบอกเจ้ากระเธอนิดทีสิว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนายสมชายต้องบอกกับขุนทองว่าขุนทองนี่ท่านรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพ่อนะแต่กระผมไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนขอรับประโยคหลังเขาหันไปพูดกับคุณหญิงแหมเธอนี่ไม่มีคอมมอนเซนต์เสเลย เป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาจากกรุงเทพสิยะคุณหญิงผ่านกับในสนชายเพราะโกรธในขุนทองจะเป็นใครมาจากไหนหนูไม่สนทั้งนั้นกฎก็ต้องเป็นกฎหนูจะไม่ยอมให้ใครเอาอำนาจราชศักมาทำให้เสียความยุติธรรมหรอกนุมวัยยี่สิบเอ็ดยืนกราน แต่กฎมันก็ต้องมีข้อยกเว้นนะขุนทองทำไมเธอไม่ไปดูเยี่ยงอย่างหลวงพ่อละ่ะเห็นไหมว่าบางเรื่องท่านก็โอนเอ็นผ่อนปรนให้ไม่ให้เอาหัวชนฝาไปเสียทุกเรื่องเหมือนที่เธอทำอยู่นี่หรอกลูกศิษย์วัดเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับถูกแวดเข้าใส่ว่าตามใจถ้าพี่เห็นว่าหนูไม่ดีหนูก็จะไปนอนละ่ะแล้วถ้าหลวงลุงดุ อย่ามาหาว่าหนูไม่เตือนก็แล้วกันว่าแล้วก็เดินฉับๆเข้าห้องไปคุณหญิงพูดตามหลังว่าดูเอาเทอท่าทางกระฟัดกระเฟียดน่าเกลียดจริงทำไมท่านพระครูถึงให้คนพันนี้มาอยู่ที่วัดนะนายสมชายไม่ออกความเห็นเขาพูดกับคนทั้งสามว่ากระผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะขอรับแกเป็นคนอย่างนี้เอง แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครข้อนี้กระผมขอรับประกันไม่มีอะไรหรอกน้องชายคุณหญิงอาของผมท่านก็พูดไปอย่างนั้นเองจริงๆแล้วท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาว่าที่รัฐมนตรีกล่าวแก้แทนผู้เป็นอาเมื่อหลานชายพูดเช่นนั้นคุณหญิงอ่อนอุสาจึงต้องปิดปากเงียบเพราะหากพูดไปอาจจะทาให้เสียฟอร์ม ของคุณหญิงก็เป็นได้กระผมจะขึ้นไปกราบเรียนหลวงพ่อก่อนนะครับพูดจบก็หายขึ้นไปข้างบนหลวงพ่อครับรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพ่อครับเขารายงานหลังจากที่ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งท่านพระครูรู้ตั้งแต่รถเบนสีดำวิ่งเข้าประตูวัดมาโน่แล้ว ท่านพูดกับลูกศิษย์ก้นกุติว่าเขากำลังร้อนนะสมชายร้อนมากทีเดียวผมเปิดพัดลมให้แล้วครับคงไม่ร้อนเท่าไรนายสมชายว่าฉันไม่ได้หมายถึงความร้อนภายนอกนะแต่ฉันหมายถึงร้อนภายในคนทั้งสามนั่นถูกไฟกิเลสแผดเผาจนร้อนรุ่มกลุ่มสวงหวังจะมาให้ฉันช่วยดับ แล้วหลวงพ่อจะช่วยเขาไหมครับช่วยไม่ได้รอกสมชายเอ้ยฉันน่ะอยากจะช่วยทุกคนที่มาหาเพราะคนที่มาหาฉันก็ล้วนแต่แบบทุกข์กันมาทั้งนั้นอย่างที่พระโบเฮียวแอบตั้งสมญาว่าพวกเอาปัญหามาให้พระนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่มีทุกข์เขาก็ไม่มาหาหลวงพ่อหรอกครับนายสมชายแย้งอย่างสุภาพ และข้อโต้แย้งของเขาก็จริงเกือบร้อยเปอร์เซน์งั้นสิคนสมัยนี้เขาจะนึกถึงพระก็ตอนมีทุกนั่นแหละตอนมีอำนาจวาสนาก็หลงมัวเมาก่อก ร, รมทำชั่วโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมพอกรรมชั่วมาให้ผลทีนี้ก็จะนึกถึงพระนึกถึงศาสนาเธอรู้ไหมคนที่อายุมากที่สุดนะ่ะ ตาบอดเพราะสั่งสมอกุศลกรรมไม่มากมีเงินเป็นร้อยๆยล้านก็ยังรักษาไม่หายโรคกรรมนั้นไม่มีหมอที่ไหนจะรักษาได้ข้อนี้ขอให้เธอจำใส่ใจเอาไว้จะได้ไม่ทำชั่วและหลวงพ่อรักษาได้ไหมครับฉันไม่ใช่หมอก็ขนาดหมอเขายังรักษาไม่ได้แล้วฉันเป็นผู้วิเศษมาจากไหนล่ะเธอนี่พูดแปลกแปลก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 ลูกศิษย์ไม่เข้าใจกำหนดกฎเกณฑ์ของชีวิตนะสิฉันคิดเอาไว้ว่าจะต้องเขียนแล้วก็พิมพ์ให้เสร็จก่อนวันที่14ตุลา 2,521 ท่านตั้งใจจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนของท่านผู้ที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ท่านเขียนไว้ก็ว่าจะบอกให้นายสมชายรู้เมื่อถึงเวลานั้นใกล้เข้ามา นอกจากพระบวัวเฮียวแล้วยังไม่มีผู้ใดรู้เรื่องที่ท่านจะประสบอุบัติเหตุรถคว่มคอหักในวันที่14ตุลาทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับลูกศิษย์วัดไม่เข้าใจอย่าเพิ่งซักถามเอาไว้ถึงเวลาแล้วฉันจะบอกเองลงไปได้แล้วก็ปิดประตูกุฏิเสียให้หมดจะได้ไม่มีใครมารบกวน นายสมชายกราบสาครั้งแล้วก็ลงมาบอกคนทั้งสามว่าเดี๋ยวท่านจะลงมาครับลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือแหมเรื่องมากจริงเป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าเจ้ายศเจ้าอย่างคุณหญิงพูดชอดชอดเพราะยังอารมณ์ค้างกับเรื่องในขุนทองคุณหญิงใจเย็นเยนะ็นน่ะว่าพระว่าเจ้าบาปกรรมรู้ไหมอดีตรัฐมนตรีเตือนน้องสาว ฟังหล่อนพลามมานานเลยต้องเบรกเบรกไว้สิบ้างมันก็จริงๆิงนี่คะท่านคนเป็นคุณหญิงเถียงพี่ชายแล้วก็บ่นกับปอดกับแปดว่านี่ก็ตั้งสามทุ่มกว่าเข้าไปแล้วกว่าจะถึงบ้านมีสองยามสามยามหรอกหรือถึงเมื่อไรก็ช่างเธอขอให้มันถึงก็แล้วกันคุณหญิงพูดราวกับว่าไม่เคยกลับบ้านเดึกๆออย่างนั้นแหละ จำไม่ได้แล้วหรือสมัยที่คุณอักระเดชยังอยู่น่ะคุณหญิงนั่งจัวไพ่ตั้งแต่หัวข้ามยันรุ่งสางไม่เห็นบ่นสักคำแถมบางวันยังไปเต้นรำกับไอ้หนุ่มกลับบ้านตีสามตีสี่โน่นีมาวัดดึกหน่อยทําบนอดีตรัฐมนตรีว่าน้องสาวสมัยที่สามียังมีชีวิตคุณหญิงหลงระเริงกับอานาจวาสนาแล้วก็ทาตัวซา จนคนเป็นพี่ชายแท้ๆยังหมั่นไส้ถูกว่าเช่นนั้นคุณหญิงมีอารมณ์จึงแหวใส่พี่ชายแล้วท่านดีกว่าดิฉันนักหรือคะท่านหักหลังได้แม้กระทั่งเพื่อนสนิทท่านมีเมียน้อยอายุคลาวลูกคลาวหลานไปที่ไหนก็มีเมียที่นั่นจนคุณหญิงตรอมใจตายเพียงแค่นี้ท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าดิฉันแล้วล่ะคะ่ะคุณหญิงพูดโกรธ แต่คนที่โกรธมากกว่าคือรัฐมนตรีเขาด่าน้องสาวยังไม่ไว้หน้าว่ายัยออนแกมันชั่วช้าสารเร็วยังไม่มีที่เปรียบถึงฉันจะเป็นพี่ชายแท้ๆของแกฉันก็ไม่เข้าข้างแกนึกว่าฉันไม่รู้ความเลวรามของแกเรือไงจะให้บอกไหมไอ้หนุ่มที่มันนอนกับแกน่ะชื่ออะไรบ้างแกจาชื่อ จำหน้ามันได้หมดทุกคนหรือเปล่าและที่เจ้าอักกระเดทมันเป็นอมพลึกก่อนจะตายนะ่ะเพราะมันเครียดที่เมียมันมีชู้ใช่ไหมผู้ชายที่มีเมียเจ้าชู้นะ่ะเป็นโรคเครียดกันทุกคนแหละถึงบางคนจะไปมีเมียใหม่แต่ความเครียดก็ยังไม่หายอารมณ์วิปริตผิดมนุษย์บนาเข้ากับใครก็ไม่ค่อยจะได้ อดีตรัฐมนตรีร่ายยาวเพราะอัดอั้นตันใจมานานร้อนถึงนายเอหรือด็อเตอร์เอกสิทธ์ต้องห้ามทับคุณพ่อครับคุณหญิงอาครับผมขอร้องเธอนี่ในวัดนะครับยังไงยังไงก็อายลูกศิษย์วัดบ้าง เขาหันไปทางนายสมชายซึ่งกำลังชงกาแฟร้อนๆมาเลี้ยงแขกส่วนนายขุนทองหลับปุ๋ยไปแล้วองค์อายมันทำไมกะอีแค่เด็กวัดคุณหญิงพูดพัผ่านใส่สมชายฟังนายสมชายฟังแล้วก็นึกปรงสังเวชพวกผู้ลากมากดีเขาช่างไม่มีความสงบสติอารมณ์กันเสียบ้างเลยนึกจะพูดว่าใครที่ไหนเมื่อไร ก็ว่ากันตามอำเภอใจไม่มีบรญญะบรรยังหน้าอนาถนักรู้สึกโล่งใจเมื่อท่านพระครูเปิดประตูออกมาคู่กรณีหยุดวิวาทกันโดยปริยายเมื่อท่านนั่งที่อาสนะแล้วดเรเอกสิทธิ์จึงกระซิบให้บิดาทำความเคารพคนทั้งสามกราบท่านพระครูแล้วคุณหญิงอ่อนอุสาก็ร้องไห้กระซิบกระซิบ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 พอหมดอำนาจวาสนาก็ถูกคนเขาเหยียบย่ำพี่น้องครานตามกันมาแท้ๆก็ยังดูถูกดูแคลนลูกเต้าก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่หาเรื่องทุกเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหญิงพนา น, านาทั้งน้ำหูน้ำตาอดีตรัฐมนตรีรู้สึกคันปากยิบๆเมื่อถูกน้องสาวพูดแขวะครั้นจะโต้อตอบออกไปก็จะกลายเป็นว่า มาทะเลาะ ก, กันต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าจึงสู้นิ่งเอาไว้แล้วคุณหญิงเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสงสัยค่ะสงสัยมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชะตาชีวิตของดิฉันจึงได้มากรับตลัปัดเช่นนี้ดิฉันทำกรรมอะไรไว้คะท่านเรื่องนี้คุณหญิงต้องถามตัวเองเพราะคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือคุณหญิง ที่อาตมาพูดมาเนี่ยถูกรึเปล่าคุณหญิงอ่อนอุสาใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้าตาจนแห้งและตอบว่าถูกค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหญิงก็ลองทบทวนดูก็แล้วกันว่าทำกรรมอะไรไว้บ้างคุณหญิงคิดว่าการสารภาพบาปจะทำให้หมดบาปจึงสารภาพเป็นบางเรื่องแล้วก็ปกปิดบางเรื่องเอาไว้ท่านพระครูนั่งฟังด้วยอาการสงบ แต่ก่อนดิฉันไม่เชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีจริงจึงหลงระเริงกับยศและอำนาจจนเป็นเหตุให้ก่อกรรมทำชั่วไว้มากมายนี่ถ้าไม่ประสบกับความทุกข์ดิฉันก็คงยังไม่เชื่อเขาพูดกันว่ากรรมสมัยใหม่นี้มันติดจรวด จ, จึงให้ผลเร็วโดยที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าท่านพระครูเชื่อหรือเปล่าคะ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 เสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ดิฉันสวมใส่ก็ล้วนแต่ราคาแพงชุดหนึ่งชุดหนึ่งราคามากกว่าเงินเดือนข้าราชการชั้นเอกเสียอีกลูกๆ ก, ก็ขับรถเก๋งกันคนละคันแล้วก็ฟุง้งเฟอ้อตามพ่อแม่แต่พอคุณอักกระเดชเป็นอมาพลึกทำงานไม่ได้เราก็ขาดรายได้เพราะไม่มีใครเอาเงินทองมาให้เหมือนแต่ก่อนดิฉันและลูกๆ ก, ก็อยู่ในสภาพจมไม่ลง ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาในทางไม่ชอบก็ร่ายรอลงไปทุกวันพอคุณอักครเดตเสียชีวิตดิฉันก็ต้องช้ำใจหนักขึ้นเพราะลูกๆทะเลาะเบาแวง้งแย่งชิงสมบัติกันต่อหน้าต่อตาดิฉันตู้ฝังมุกโต๊ะฝังมุกเขาก็แย่งกันขนไปขายทอดตลาดไม่เกรงใจดิฉันซึ่งเป็นแม่คนเล่าไม่ได้บอกความจริงแกท่านพระครูว่า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 เอาระไม่ต้องตอบอัตมา ก, ก็ได้แล้วท่านรัฐมนตรีล่ะมีอะไรปรึกษากับอัตมาหรือเปล่าประโยคหลังท่านถามอดีตรัฐมนตรีเรื่องของผมคล้ายๆกับน้องสาวแหละครับท่านพระครูแต่มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อยคือน้องสาวผมเขาแย่ตรงฐานะการเงินสุดลงและก็ลูกๆแย่งสมบัติกันแต่สําหรับผม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 อาตมาช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมท่านสะสมอกุศลกรรมไว้มากถึงคราวที่มันมาให้ผลท่านก็ต้องรับอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ได้ฟังเช่นนั้นอดีตรัฐมนตรีวัยเจ็ดสิบเสด็ถึงกับนั่งกอดเขาร้องไห้คุณหญิงอ่อนอุสาหยุดร้องไปแล้วก็มีอันต้องร้องอีกด็เตอร์เอกสิทธิ์เองก็ตาแด ง, แดง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 แต่ว่าท่านอยากประสบเคราะห์กรรมแบบเดียวกันกับที่รัฐมนตรีประสบอยู่เป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับผมไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นเขารีบปฏิเสธถ้าเช่นนั้นก็เลิกล้มความคิดที่จะเป็นรัฐมนตรีเสียอาตมาขอบินทบาทเธอนะท่านอย่าได้ไปยุ่งกับการเมืองเลยเชื่ออาตมาสักครั้งเถอะการเมืองมันไม่ดีอย่างไรหรอครับ หลวงพ่อจึงไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวถามเพื่อจะลองพูมท่านเรื่องนี้ท่านคงทราบดีกว่าอาตมาท่านเป็นถึงด็อกเตอร์ลองไปคิดหาคำตอบเอาเองก่นแล้วกันท่านพูดเพียงเท่านี้ท่านพระครูช่วยลดน้ำมนตตัดเวนตัดกรรมให้ดิฉันด้วยเถอะคะ่ะคุณหญิงอ่อนอุสาพูดขึ้นน้ำมนช่วยตัดเวนตัดกรรมไม่ได้หรอกคุณหญิง